เอกลักษณ์คนไทยซาไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเมื่อนหนึ่งว่าไม่มีทุกศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกฉลกโหลอกทุกสมัยคารับคนสูงกว่า ศรัทธาในครูผู้เคยสอนให้ไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจสิบนิ้วน้อมพอนมบายเคารพผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงควงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สา ไม่คอยว่างพระเจ้าแผ่นดินเอกกักษ์นี้ฟ้าพระจักและโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดินคือ ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ใต้เอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำ เธอเือเป็นทาให้ต่างชาติมาคอยชี้เนือชี้ใต้เอ ก, กลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำ